พระธรรมเทศนาจากดกเรื่องแปดแหล่งอองยอดภูทีสองเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมโดยอินสมชัยชมพูปเปลียนทาหกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮ ทัสาภากวตโตอราหโตสมมาสมพุทธทัดสาโสจันตกุมมารมหันลกิณทิญญาเกเฮวาสิตวานุกาเมนาบทิปโตอโหสิติ สาทะวดุราสะปุริตาตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวนหมู่อันนั่งอยู่ น, น, ยนานำจุงจักจำหือทีเราจักจีจะไขลำดาไปแต่ก้าปังเมื่อเอจ้ากุ่มภานใดตกผ่านตำเจ้าเป็นกำผ้ายามแ en ดงใดไปแฝงอยู่เฝ้า กับยาเทาอนาถาหนเกหาตุบหน่อยอยาเทาก่อยเอาใจคัดสีไขาอาบน้ำตกเจ้าคำรุมราตามอนาถาอยากไรลางเตือใดกินดีเขานำมีลายหลากยาเทาหาขอมาลางตีหาบ่ได้ต้องเดือดไม่ตั้งวัน เทาแปลงปันรักมากบอกฮือพาเกหาสามวสาคบไข่เจ้าขึ้นใหญ่เปิงเป้ากาญ้าเข่าสะอาดวันลาวีลาตเปิงแป้งย่อมอยู่แฝงอย่าเท่าตัวไตเต้าไปมาหูปากจ่าตันต่อหูปากหม้อวนใหญ่ กันคนใดหันแล่อใจพ่องแพวเจยบ้านยืนยอตานข้าวน้ำลูกไม่พั่นานาหญ <c oughs> ่าจาระราแก่เทาสุกย้อนเจ้าบุญมีบ่อเครื่องขีเดือดร้อนเหมือนเมื่อก่อนเดิมอ้อนจริงปันน้ำมาก่อนจื่อซอย ว่าเจ้าหน่อน้อยสุขวัตถนากุมมานย้อนสมปานลายจตดบ่อได้ขาด ต, ตัวมาคนคุณนะลายแล่ญ่าเท่าแก่ยินดีเจ้าบุญมีกำผ้าบ่อสวกาจะแข่งรูยำแยงย่าเท่าตกคำเจ้าปัดกวัวหูคุดกัวการบาบ บอกขนาประวีดัยสิ ป, ปีมารอดอยาเท่าต่อตอนตายเจ้าบุญภายยอดซอยตกต่ำก้อยไหลปัง <c oughs> อือดอือขางหลแหลร้องให้แผเววนจุมหมู่คนอยู่ไกลเล่นสาไสามาปันกันเล่งหันยาเท่า ดับจิตเขามารนาเขาก็จะจุล่อฮือเจ้าหนอบุญมีหายเครื่องขีหมนใหม่เฮือหูไข่าตามทำพ่องไข่กำลมเล่าจุดเจเป้าเอาใจพ่องก่อไปบอ ก, กหูฮือหู ก, กูเกหา เอากันมาแต่งหางตกแต่งสร้างทรงสะ ก, การตามโบราณรีดเก่าเฮียเถ่าตามมีกามีหันและนาะ <c oughs> โซโ่กลุมมารอกันอย่าเถ่าเขยนใจได้ตายไปภาหนาเจ้านอลากุ่มมานก็อมองผ่านต่ำก้อย น้ำตาโน้อยเป็นสายคนตั้งลายหนุ่มเท้ามาแวดเฝ้าเอาใจจากกำยิ่จืนจ้อยขอหยอดซอยบุญมีได้ละนีละพากออกไปจากเกหาไปเป็นบุตตาลูกเต้าไปอยู่เฝ้าเฮือนตนนอตาสะปนน้อยนาดบ่อยอมกาดไก่กา จะกใจหาที่อยู่เต้าเก่าอุตมีว่าบ่อนิยมนีผาคางไปอยู่สร้างตังใดจักอดใจอยู่เฝ้าที่ตูปเก่าเดียวได้คนยิงใจใหญ่หน่อยใดยินทอยจะคาดแห่งกุ้งมันหน่อเน่าบ่อจ้างเล่าคำใดบ่อจ้างไข่คำต่อบินนาล่อคุณนา ยินโซกาจูผู้แล้วปอกสูเฮือนตนส่วนนอตาสะปลกัผ้าตุกโซกามองเงาแอวจุกเศร้าเป็นตีนาบอกี่เจยบ้านล้ยังการวิ่งเต้นบ่อเอลเล่นแดนได้ดักอยู่ไหนตูกน้อยบ่กาวถ้อยไข่จาหลายวันมาคขบไข่ความโศกไม่เบาไม่ ก็คงควายซอไสาหายังไม่แห ล, ลัวไปและคัวและเข้าเป็นดังเก่าเดิมออนก็มีหันและนาตาตาในกาลนันใส ย, ยังมีเศรษฐีใหญ่สองคนแปลงเพื่อนตนอยู่สร้างในเมืองกวางปาราณสีจอโกลิเเศรษฐียดใหญ่ อยู่ไปลายไตหางเวียงเขาของเรียงพับแผ่เต็มทุกแ่าอน า, าเงินคำขานักโสดนับอ่านโกธเลือลายหาลูกใจบอดใดอันจักไว้แป้งปิ้งเต่ามีหนิงหน่อเนื้อไว้สืบเจือหนิงเดียวชมชะเหลีวจินจอย จื่อนางนอน่อยอนโนจ้าทรงโสภาใจจ้าดังนางฝ้าสาวสะวันทุกคืนวันคำเจ้าบอกมนเส้าเครื่องขี้แถมเศรษฐีหนึ่งไสมีจิ๋วไว้ว่านันตินยะเศรษฐีเข้าของมีลายแหลเ่เงินคำแพ่จดเจือ อยู่หันเหนือเวียงกวางภัยบ่ออางเตรียมตันมีจูอันจูสิ่งจ้างมามิ่งวัวควายเล่มช่างย้ายจอดไข่เงินคำใสทมนามีบุตรตานอน้อยงามจื่อจ้อยใจเดียวชมชาเหลวสะอาดจือเจ้าน้อยหนาโจติลักุมานอยู่สำรานพอมนา ตั้งหมู่คาคนใดรอกาไฟาในหญ่น้อยบ่จ้องหอยเบียนขี้กาะมีหันและนา้ากันโจตีละกุมมานขึ้นใหญ่อายูใดสิบหกปีนั้นตีนยะเศรษฐีผู้ ป, ปออ่อขึ้นใจต่อบุตตา ว่ากวนหาลูกสะไปเอามาไว้แป้งปั้นกันตัวมันลูกเต่าเหือเป็นเก้ายืนไปกันกึดใจแจ้งจอดก่อนเนสอดไปมาเกือกเสาหาสะไปเอามาไว้เฮือนตอนเอวเวว้นเข้าออกตามสารอกมักกาขึ้นเกหาใหญ่น้อยแสงเก่าวถอยอุบาย ห้ามซื้อขายจ้างมาตั้งแผ่นพากวบใบเอวพอไปจัใจนับว่าได้หลายวันบออจ่จวบหันสาวน้อยงามจื่นจ้อยพ่อตามีอิริยาทวนถูกกวนดีผูกแตนเฮือนพ่องก่อเมือนแม่ห้างพ่องกระดางลังแข็งบ่ยำแยงพ่อแม่ตั้งเท่าแก่าตาไน ยิ่งสาวไลยเดือดแลพ่องงามแต่ปุ่นจมกัมจากขมกาหยาบบ่สุภาพตามทำพ่องจากกัมเก่าวถอยกวนจื่อจอยวนหูเนื้อตัวดูผ่างไร่พอแล้วงนายสงสารพ่องใจหานผ่านเพจบ่เข้าเขตดังดีนั้นตียะเศรษฐีหยดใหญ่เสาะหาสะไปแตนเฮือน ได้หลายเดือนเตียวสอติ่งไปรอดเกหาอันงามตากว้างใหญ่อยู่ห่นไตปุรีคือเฮือนกอลิญะเศรษฐีผู้เทามันก็เข้าไปหาแสงปุชชาทำข่าวทรีไข่กาวหลายอันวันเล่งหันสาวน้อยงามจื่จ้อยชมสี มีกองดีองค์อาจคือนางนาฏอนุจ่ามีลัคาณาทวนถูกเปิงกับลูกใจเดียวมันจะเหลวตันต่อว่าค่าแด่พ่อเศรษฐี <c oughs> ข่าเครื่องขีควาเจ้าย้อนมีลูกเตาเป็นใจบ่ ม, มีส่ปีน้องเกิดรวมต้องมานดาบัตนีนาลูกค่า คงใหญ่กาเรวร่ามข้ามีความกึดรอดไข้หื้นยอดบุตตามีภริญาแนบข้างช่วยอยู่สร้างตามกองข้าจริงปองไตเต้ามาหาเจ้าเศรษฐีขอสายสารีแก่นไทยไปเป็นลูกไปแกมเพื่อนเืเป็นเหมือนหน่วยแก้ว สนสอดแซลไหมคำตามกองทาแต่ก่อนบอกฮือผ่อนประเภนี้เป็นไม่ที่ติดต่อดังคำหล่อพื้นเดียวบิดเป็นเกี่ยวขาดมันอย่าตวนสั้นตัดบันกันหันตันกึ่ดรอดรูแจ้งจอดตามร้ายจุงปันสายลูกเตาไปเป็นเก้าแต่นเหอนแดดเตอ ที่นั่นโกริยาเศรษฐีฟังกคำดีจืยนจ้อยจริงตอบถอยกคำไปว่ากคำอันใดตันเ่าค่าจืดยาวสมนัติาตันมหาเก่าถึงที่อยู่หอเฮือนค่าก็เมือนดังเจ้ามีลูกเตาหญิงเดียวดังต๊กเปีวนนำกวางโบจางอ้างจะไร หากเหลือใจเสียงคอดดังตับปอดดวงตาตันมาหาตานกาวคอหนองเนา่าเมืองเนือนเป็นดังเหมือนมาปาดเอาใจขาดไก่ตนเราสองคนต่างกิวึ้ดบ่อผิวหันร้ตันมีใจลูกลาตัวแห่งขา้ามีนิ่งขา้ขาข้าดิ่งบ่เววนดังเอาเส้นสร้างพอ มาสูนล้อเส้นฝายบอจางใหญ่ฟืมตั้มจักเป็นแพ้คำยินยาคาลำบากเดือใจเฮือนเฮาไก่กันแก่กึ่นยาแพ่ไปมาคาขอจากเกาจี้เฮือแจ้งทีตามร้ายกันตั้นหมยไข่ได้ยังแก้วแก่นไทยอนุจา ไปเป็นภารีญาาลกเบาดังตั้นกาวไขรปันจุงเร็วปันอยาจ้านับจากขานับจากเขื่อนคาเตียวไฟผาเวียงใจพับจอดต่อตล อ, อดเขื่อนตนแม่นกลางหนเสน้นเจือกตกตัดเตือกแดนได้จุงเร็วไว้แต่งห้างแปงเขื่อนกว้างปอตา เื่อสองคาลูกเตา้าใดเป็นเจ้าจอมกันต่างคนปัน่นคนกึง่งต่างคนเปึงคนปลาบ่อเสียหายสองฝ่ายบ่อพังไรไปใด <c oughs> กันเกิดใจหันทีดังคาจี้คจไค่จาก้ดดังดาแต่งหางเมียนจูอย่างเดี๋ยวปัน่นคาจักปัน่นลูกแกว้ว งามเลอดแล้วอโนชจาตั้งคำคาหมื่นตือจักยืนฮือตัวไปบ่ยาจักเลนะทีนั่นนั่นทีน้าเศรษฐียศใหญ่พิดจารณาไตตัวไปมีหัวใจจือนแยวจริงต้านลกาวสัญญา ามอาสาแต่งหางพ้อมจูอยางเรียวปั้นแล้วผายพันไปสู่ยังที่อยู่เฮือนตนรีบสะสนบอดจ้าฮือหมู่คาคนในเอากันไปฝั่งเฝ้าวัดจากราวเกหาผ่านป่ารากว้างใหญ่ถึงหนไตปุรีตีเฮือนเศรษฐีผู้เทา ปอ น, นอนังหน่อเนาอาโนชาตบเจือกมามันแก่นกลางเจือกแม่นแดนได้ตัดเฮือนไผน้อยใหญ่ปักหลักไว้จำไมยเอาเงินหลาหมื่ น, นตือ้อมาไทยซื้อจำนีเงินคำมีลายหลากใส่รถหลากนำมาฮือจางดาแต่งห้างแปลงเฮือนกว้างตามกำกามีฮันแหลนะ ยามดีมารอตั้งสองยอดเศรษฐีสัจจะมีมันเตียงบอบิดเบียงเฟื่อนไหว้ฮือแปงเฮือนใหญ่กว้างกางตาตั้งปุรีปาราณสีเมืองใหญ่ผัดดับไขโดงงามเฮือนน้อยจามแวดไก่ฮือขาใจหญิงใจเสียงกันหลายกูตือคนพอยืตั้งวัน เขาจากันซาเศ้าว่าเฮือนลูกเบาวเศรษฐีสั่งยำดีขนาดดังภาษาห่อใจคนไก่ไก่น้อยใหญ่มาพอไขจู่นคนแลยนะกันเฮือนดวงใหญ่กว้างตกแต่งสร้างบัวระมวลกาละกวนจมโจกถูกชะโลกยาำดีสองเศรษฐีเดือดไตหูแจ้งไข่มงคล กอนนำตนลูกเต่าตั้งแก่เท่าตาได้ตั้งวงใสปีน้องตั้งเปื่อนป้องวงใยไหลกันไปสะสู่พ่อหน้าอยู่เฮือนควาง <c oughs> แต่งดาดางกินแขกกอตั้งแรกงานปอยตามแนวร้อยแต่ก่อนบอกเฮ้ผ่อนประเพรีโฟจะนามีหลายแหล่ตั้งย้ายแผ่นำนำนา ตั้งภาลากลวยอ้อยมีบ่อน้อยเต็มตันกินปลามันลาบซามีเป็นตาเหลือลายคนยิงใจหนุ่มเทาวังแวดเข้าตกซุม <c oughs> บ่าวสาวหุ่มไมจู้ก็เกาอู ก, กำคานพ่องจาวานตานต่อพ่องดาญโยเอาเชิงจาตามเปิงเอามวนเสียงระรวนเรื่องนั้น ส่วนมอควันผู้เท่าก็มัดแขนเจ้าสองขาเก่า้าท่าปันโจกตามชโลกบาลีคือสองสรีปีน้องอยู่รวมห้องมงกลให้กังวลร้อนไหมหายมือไข่หนาวได้จนมนันไผ่ไลยแหล่ยาได้แพ้มาหาจุงตีข้าเตียงเต้าทุกคำเจ้าสดสดี ส่วนโกลิยาเศรษฐีผู้เท่าป้อนางน่อเ น, า, นาอาโนจาก็าใค่จะาบอกกาวฮื้อหูข่าวตังดีของได้มีแต่ก่อนบอหฮื้อผ่อนส่วนหายคือหัวควายจังมาตั้งหมู่ขาคนในเงินคำใสนักโสดมีหลายกดุดถมทอง แบ่งเป็นสองล้วนทวนยกหนึ่งส่วนนำมาคือแก่ที่ดาแกนไทยไว้ใจใจตามีส่วนนั้นติยาเศรษฐีผู้ป่อแห่งเจ้านอโจติละกุมานก็ไขคานตันเล่าว่าของเก่ามีมา สัปปะพกาลายสิ่งมีกาญงนาดำมีผ้าจำบอโหดหลายตื้อโกดคำแดงจักแต่งแป้งสองภาคส่วนห น, น, นึ่งหลากนำมาเฮือโบตาลูกเต่ารอมใส่เข้าถมทองฮือตั้งสองปีน้องได้นังห้องสวยสี สองเศรษฐีเหนือไตยยกของใส่โตกปัน่นหฮือจอมควันลูกเก่าได้เป็นเจ้าเงินคำแล้วก่าวคำปั่นโจกตามหนโลกโบราณจุ่มบงวานปีน้องย่อมือซ่องยินดีปีตีมีจืนสุรับทำรูจู ข, นข น, ขนขนการมงก้นเ ม, มียนแล้ว กวนแขกแก้วผันภายคนตั้งลายม้วนหมูก็ปอกสูก่เกฮาละสองขาหนุ่มเน่าอยู่เป็นเจ้าเฮือนหลวงก็มีหันแลนะถ้าต่อปัทฐายาแรกแต่นั่นไปไป้ายนาสองนอลาใจยิ้งหักแปงปิ้งรวมสร้างในเฮือนกวางเชียงคาน สุกสำรานคำเจ้าบ่อมนเศร้ามองขีเมื้นหลายปีมารอดสังขารจอดหลายหนอายุคนดวงเข้าซักขาดเก่าสูญหายสังขารภายหนิงนีปีไม่อิบจำมาสังขาระมวนหมู่บ่อตั้งอยู่จีรังย่อมเป้ปังแตกม้างบ่อหอนข้างคนใด เป็นคนไต่ไผ่น้ยเป็นข้าคอยกระทำการเป็นโยธาหารอาจกาเป็นเจ้าฟ้าทรงเมืองฤทธิ์ที่เรืององ์อาจ <c oughs> เป็นนักพาทรงยานเป็นคนพ่านบาปไปเป็นคนขี่ไรเครื่องขี่เป็นคนมีมังเต้าเตียนยอมเข้ามาราณา บ่อไก่กาสักผูกกาอันอยู่โลกีส่วนเศรษฐีผู้เท่าอันเป็นเก้าสองไปกอบำายจูผูบ่อข้างอยู่คนได้สมบัติไหลหลังเข้าหอมลูกเต่าตั้งสองเงินคำกองพับแพเต็มจูแง่เฮือนควาง เต็มเล่มช่างจูติยายจดทีนำนาพ่องเอามาฟังไว้เต็มไขยไตหอเฮือนพ่องดูพอดูเหมือนบวกกว้างนำขางตั้งไหลมาตั้งวัฏถาแผ่นผ้ามีเป็นตาเหลืออลายตั้งวัวควายหลายหลากจ้างมามากถึงปัน ย่เต uh ็มต si ันจูห้องเสียงแสนร่องดันเมืองคนเจ้าเมืองจู่ผู้จากเก่าเจยจมกะมีหันแลยนะโจตีโลปานาส่วนโจตีลาเศรษฐีน้อยผัวหยอดซอยอนุจามีผูกามักเต้าได้เป็นเก้าเศรษฐี ในปุรีเมืองกวางไผ่บ่ออางเตรียมตั้นอยู่ตั้งวันกินใจบ่อบเบียงบายก็ะตำการเต้าสำรานมวนเล่น <c oughs> บ่อได้เว้นวันได้ใจกินไปบ่อขาดใจห้าหาดโกธาดื่มสุราคำเจ้าเพื่อนปุงเข้าเบียนควี <c oughs> เงินคำมีบ่อ้อยก่อหูถอยบวกบางคำเต็มช่างก่อนกีก็หลีกลีนี่หายจุ้มวัวควายมาจางบ่อเลือครั้งอันใดลวดเข็นใจอยากไรตุกเอาไม้เครื่องกากรมีหันแลยนะ ธรรมพกาเซนโตสัทธาศสัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบาทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสานาวโสปิโคโจติโลมหาโฟโกดังนี้เป็นต้นว่าพิงคาวดุราพิกคุส่งตนทารงสินใสบ่อเศร้า ลูกศิษย์เก้าพระมูนีส่วนโจติลาเศรษฐีหนุ่มนาใได้เป็นเจ้าเงินคำมีนานำไล่หลอจากแม่พ่อสองปายตั้งว่าควายมาจ้างบ่ออาจอังกนาดาของโพก้าเรื่องใจมีพร้อมควายจูภาการเต้าสำรานจื้นสู ชายใจอยู่ตั้งวันบอเล่งหันตั้งรอดบอเล่งหันตั้งวอดบอดกุดรอดตั้งไว้ค้างหัวควายคำเจ้ากินกับเราง่ายแรงกำจะแข่งดา่ายอบุ๊บต่อยมอตี่ให้ใครกำไปต่อตาว่าตัวขาคนมีเสื้อผ้าดีผืนใหม่กันโคตรไม่มองวิน <c oughs> หว่างลงดินตีนย่ำ ม, มีดเขาซ้ำแตงฟันจ่าเดือดนั้นตัวห้องมีงพวกพ้องนำหนายน่อมปลาละกย า, ากบาาเรากลับหลาบเมาเสจจ่ามังเตรีดเก่าใจาบอกเข้ า, าต่างทำบอกคบย่ำพ่อแม่บอกขืดแพหาคุณ บ่กขืดหนุนปลายนาะบ่กขืดก้าและขายเต้าอยู่ได้ปังเป่ากินเล่นเล่าตั้งวันบ่กขืดหั่นต่างกวางบ่อขืดสร้างต่างยาวตางเส้นข่าวลาว้ยโป้ยเตียวไตต่างดำมีเงินคำกองโกดบ่อหูโพดคนผ่านบ่อฮือตานสักเตือใจบ่อเอื้อต่างศีน เอแต่กินและเล่นบ่ได้เว้นวันยามบ่กับตามกองเก่าละรีดเก่าโบราณบ่ปอนนนแต่ใส่กอร่อนไม่บกบางเงินเต็มชางยายยาิก็ก้อยกาดนี่หายขานิิงใจอยู่ไกลเลื่มสอนไว้เอานี่งัวควายมีบ่น้อยกอกาดก้อ ย, อยบางตา พองมาราณาาดางตามตรงกวางดอนซ้ายพองก่อตายเปิ่นข้าพองก่อหาลงเอาจุกสุมเงาเป็นหมูล้มตายอยู่ตั้งวันพองหกพันเข้าป่าบ่อปอกนาขึ้นมาจุมหมูลาจังมาบีเป็นตาเดิมอ่อนพองจนร้อนรักกว่าพองเข้าป่าไพรสน ล้วดไทยหล่นกว่าจอยหมูข้าคอยยิงใจมีมากลายใจจ้าก็พรากนารนีเงินคำมีก้าใหญ่ฟังไห้ไตดินดานก็อันตรทานเสียงขาดบ่อเลือบาดคำขาดย้อนบาปมาซวยแสงนำตกแต่ง้าเป็นได้อยากเข็นมัดไม่ตกอยากไรเครื่องขี้ โจติลาเศธีหันเหตุบ่แจ้งเจตสัญญายังละสาพระมาบ่ได้ขาดคืนวันแปลงใจมันจมื่นว่าเงินล้านหมื่นยังมีเงินคำดีฟังไว้เต็มลุ่มไตทุ่งเยียจริงป่าเมียน้อยหน่อไปคุดพ่อเร็วไวเงินคำใสบาดไตหากฟังไว้เหลือลาย ก็นี่หายขาดเสียงหมดเลี่ยนเกียงจู่อันอันเศษที่หันห้อยเปาร้อนไม่เอาตั้งตัวจักไข้หัวบ่อได้จักร้องให้บ่เป็นบึดดาวเย็นสาตอนบุดหนึ่งห้อนนำนากอดภริยาน้อยนอร้องให้สอเมียตนรําเบว่นลายแหล น้ำตาแพลไหลลามกึดถึงยามก่อนกี่นาบอกี่เจยบ้านก็มีหั่นแล้วอันว่าจติละเศรษฐียดใหญ่บาปมาไหลตัวแตนใดเครื่องแกนหมุนเมียงมดเหรียนเกียงจู่อันอันเดือดเฮือนมันหลังใหญ่ได้อยู่ใจอาศัย จุ่มบงใหญ่ปีน้องบ่อเตียวต้องมากายจุ่มสะหายหลยแหล่บ่อแวแวะจะาเตืองมันร่ำเปิงกือรอดจักขายตอดเฮือนตนจิงเววนไข่ขาวหัวตัวดาวแดนไก่บ่มีไผยจักซื่อกา้ามื่นตือคำขาฟ้องก่อจาฮาหาด ว่าเหือนอุบาทจังไรกันคนใดซื้อไว้เตียงร่อนไม้ฝาวายคนตั้งหลายดุมเท้าไผบ่อเขาใจตัน้นไผบ่อหันมาพอกลัวติดต่อพูยไอกลัวจันไรอุบาทมาต้องปาดถึงตัวเขายินกลัวจูผพูจากเกาอุหลายราย แม่นปันได้ยกตอดเขาบ่อสอดหูฟังเขาบ่อหวังใครได้กลัวเคาะใหญ่เบียนขี้โจตีละเศรษฐีมวนเมียเขาของเสียงจูอันอันโทกคืนวันไม่มาดเขาน้ำขาดงายแรงขึนกินแนงลายหลากบ่อจ้างปากกำได้ลางเตื่อเมียไปวันตกภูผัวหกวันออก เอลสอสอสอหากินเป็นอาจินเจ้าใจบ่อขาดใดวันใดก็มีวันนั้นแลยนะเนธิตังขีญาสังวันน า, นานาวิเศษจาห้องเหตุแปดแหล่งออกยอดผูกทวนสองเศษที่ปองเตียวสอดถามขายตอดเือนเยีย สองผัวเมียตกอยากย้อนวิบากได้จ้าแม่นพาธานาไขรหูจุงอดอยู่ฟังไปพวกนี่ใครเต่าอีเต่านี่หากวางลงก่อบังกมสมริจเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล